ให้จิตสงบเมื่อกิดสงบแล้วจะทำอะไรเราจะสร้างปัญญาเราให้เกิดเมื่อกิจสงบแล้วเราจะสร้างปัญญาเราให้เกิดทีนี้สงบเฉยๆมันไม่อยากจ่าอะไรนะมันอยากรู้อยากเห็นมันอยากสงบมันสบายไหมเอาท่านว่าต้องสร้างปัญญาให้เกิดทำปัญญาให้เกิดจะต้องทำอย่างไรนะ อารมณ์ของวิปัสนาวิปัสสนาก็คือตัวปัญญาให้มันรู้สิ่งทั้งหลายทั้งปวงอย่างแจ่มแจ้งเราอยากจใจเกิดปัญญาทํายังไงเราอย่า ว, วิ่งแม้ไอคนนี้มันสวยเรือเกินหนึ่งไม่แน่ไอคนนี้มันโง่เรือเกินหนึ่งอันนี้ไม่แน่แกงถ้วยนี้แม้มันอร่อยเรือเกินนะไม่แน่ ไม่ได้บอกมันไม่แน่ทั้งนั้นเนี่ยนั่นคือมันแน่เอาลองลองดูตัยปัญญาเกิดเลยนี่คือปัญญาเกิดทำไปแล้วมันต้องเห็นคืออนิจจังทุกขังหนตามันหมุนเวียนมันไม่แน่นอนเนยเรื่องข้างนอกก็ตามมันไม่แน่เรื่องข้างในมันก็ไม่แน่มันเรื่องไม่แน่ทั้งนั้นน่ะเรื่องมันหมุนเวียนถ้าเราจับอันนี้ดีๆอะไรแล้วก็เห็นตรงนั้นอยู่เรื่อยๆเออมันไม่แน่จริงๆนะ เข้าใจว่ามันจะแน่อย่างนั้นมันก็ไม่แน่อีกนะเอาทีนี้เอาตรงนี้มันแน่อีกนี้ก็ไม่แน่มันอีกทําไปทําไปก็เลยเบื่อหนายมันอะไรไม่แนะ่สักอยนะ่างหนึ่งเลยท่านก็เออเรียกว่าอ น, นี้จังถ้ามันไม่แนะ่นะ่ะมันไม่แนะ่ไอ้ที่อาการไม่แน่นี่นะเป็นธรรมะของพระพุทธเจ้าอย่างแท้จริงนะถ้าเป็นธรรมะของพระพุทธเจ้าอย่างแท้จริงก็เกินเป็นพระพุทธเจ้านั่นเองเลย เคยได้ยินได้เห็นไหมนี่วะใครเห็นธรรมก็เห็นพระใครเห็นพระก็เห็นธรรมนั่นอืเห็นธรรมก็เห็นพระพุทธเจ้าเห็นพระพุทธเจ้าก็เห็นธรรมะเห็นธรรมะเห็นพระพุทธเจ้าเห็นความสงบก็เห็นพระนิพพานอย่างนี้เราไปสาวเอาข้างนอกกันจ้ะขึ้นไปวนภูเขาบ้างมันจะสงบจะเห็นพระนิพพานอยู่ตรงนั้น โอ้ขึ้นไปแล้วอยวันสองวันเออสบายดีนะบินทวาร ท, ทักห้ากิโลนี่อืไม่ไหวไม่ไหวอีกแล้วกลับลงมาอมืไปไหนอีกนน่นไปทะเลนน่นอากาศมันดีถ้าอากาศทะเลมันดีก็ก็ เ, เป็นพระอรหันต์กันหมดทิทางทะเลนะเราไม่คิดอย่างนั้นเนี่ย ต, ต้องไปอยู่ที่อากาศดีดีดีก็อยู่มันบ้างที่ไม่ดีก็อยู่มันบ้างนี่ เรวเรียนมันจะทํำยังไงล่ะแล้ว เ, เอาสิ่งที่ชอบใจเราทั้งนั่นเดยนั่นอย่างนี้ให้ให้ให้เอาไปคิดอันนี้พิจารณาดูดิที่ไหนาอากาศดีแมมที่ไหนาอากาศดีนั่นยิ่งไม่มีปัญญายิ่งมีกิเลสหลายลองลองดูทีลองดูพิจารณาดูที่จะต้องไปอยู่ที่อากาศดีดี ถ้าหากว่าเรามีโอกาสที่ประโยชน์ที่อากาศไม่ดีเราจะเป็นยังไงนะมันจะสุขหรือมันจะทุกข์ถ้าเราเห็นอย่างนั้นเราประยชน์อากาศดีดดอารมณ์ในที่ชายทะเลนั่นนะแม่มันดีเรื่องเกินนะ่ะดีละผมก็เห็นดีด้วยเหมือนกันแต่ว่าอีกวันหนึ่งนะเราประโยชน์ที่อากาศร้อนไม่เหมือนชายทะเลเราจะสบายอย่างนั้นไหมนะี่จะทํายังไงล่ะอืม มิฉนั้นพระพุทธเจ้ามาเห็นว่าอากาศดีหรือไม่ดีเนี่ยท่านเห็นเสมอกันเนี่ยโอกาสที่เรามีชีวิตอยู่น่ะเราจะเที่ยวไปทั่วทิอย่าไปว่ามันตรงนี้ไม่ดีตรงนั้นอย่าไปว่ามั น, นยอย่าไปว่ามันอย่าไปว่าร้อนไม่ดีถึงฤดู้หนาวเราจะคิดถึงมันคือความร้อนอย่าว่าเย็นหรือหนาวเนี่ยมันไม่ดี เมื่อมันร้อนมาเราจะคิดถึงมันอืมถ้ามันร้อนก็ร้อนไปเออมันร้อนก็ร้อนไปถึงคราวที่จะอยู่มันถึงอดทนมันไปไอ้ตรงนี้มันหนาวก็ถึงมันหนาวกว่าหนาวไปนี่มันหนาวเนี่ยให้ดูมันไปสิมันหนาวทนไว้ก็ทนไปทนไม่ไว้ก็เลิกมันไปมันร้อนมันหนาวเกินขอบเขตยังวุ่นวายสิเราเอกรอนอดขั้นแล้วก็อดสิไม่ใช่มันไม่อดเนีย ไม่ต้องอื่นกายเนาะขนาดดารูรอดมาเอาใหม่เอาหม่ไหมพัดลมมาพัดท่านี้เนะี่ยมันพัดเต็มตัวนีนะ้บางทีผมลำคาญเลยนี่คือเราทำงานนี่เห็นไหมร่างกายมันเคลื่อนไหวเนี่ยเไหมเคลื่อนไหวออกกำลังเหงื่อมันก็ออกเห็นไม ไอ้ไอ้พัดเนี่ยกพัดลมลมมันก็เย็นเนี่ยนะไม่มีทางมันจบลงเลยนะเหงื่อมันก็ไหลพอเราทํางานมันเคลื่อนไหวอยู่นี่พัดไปเธอไม่เห็นประโยชน์อะไรมันมากมายเนี่ยพัดอยู่กับทางวันก็ทั้งคืนบางทีมันติดจนว่ามันหนาวกว่ามาพัดมันติดพัดลมมันติดใซะอย่างนี้น่ะไม่ได้หยุดมันร้อนหยุดมันดูเฉยๆมันจะเป็นไงไหมไม่เคยอดทนดิ้นทนกวนกว่า นียอย่างชาวกรุงเทพกันทีเดียวชาวอุบลน้าแข็งย่างกันเนี่นี่ไม่ไม่ไหวไม่ไหวไม่ท่านน้าแข็งตายตายตายหงายตายโหงเราสบายเลตรงนี้นะมีมากกว่าชันมันไปไม่มีก็ไม่ต้องชันมันมามันก็อย่างนี้เนี่ยอันนี้คือเรื่องของมันติดใช่ไหมเรื่องมันติดก็ต้องเป็นอย่างนั้นแต่เราก็ต้องทดลองทุกอย่างรอดก่อทดลองเย็นก่อทดลองอะไมันผ่านไปตรงนั้นะ ไอ้ความกิ่งมันต่อสู้สิ่งที่ไม่ชอบหรือชอบให้มันดูเรื่องของโลกโลกก็มันมันเป็นของมันอยู่อย่างนั้นมันหมุนเยียนเปลี่ยนแปลงเราจะไม่ทนทานต่อความหมุนเยียนเปลี่ยนแปลงมันเท่านั้นเหลกเราก็ไม่ใช่นักปฏิบัติจะรู้อะไรมันแล้วจะเห็นมันเมื่อไรเช่นว่าอิทธิยาบทบางทุกอย่างนี้เป็นต้นท่านพูดชัดเดือเกินอิทธิยาบทมันบางทุก ถ้าเรานอนถ้าเรานั่งไปอย่างเงี้ยนะมันจะปวดเกิดขึ้นมาอย่างงี้มันรู้หรอมันบอกให้พลิกพลิกปับ๊บเดี๋ยวทุกข์ก็หายไปเนี่ยเนี่ยมันบังเสร็จแล้วไม่รู้จากทุกข์เลยสุขเกิดขึ้นมาแทนเนี่ยนี่นั่งไปสักพักหนึ่งมันทุกข์อีกเปลี่ยนปุ๊บอีกทุกข์ก็หายไปอีกแต่คุปไปทันสักทีเลยเนี่ยเยไม่เห็นทุกข์ นี่พระท่านบอกว่าอิริยาบถมันบังทุกมันบังทุกมิจฉนั้นต้องทำยังไงต้องอดทนพระพุทธเดียบต้องลองดูต้องทดลองสู้กับทุกขแต่ว่าจนกว่าว่าไม่ให้มันเกิด อ, อันตรายเสียหา ย, ยอย่างเรานั่งสมาธินี่โอ้โหโโโมันปวดนี่ ไปถึงที่มันปวดมันก็ถอนออกมาเลยอืถอนมาชั่วคราวไปอีกไปถึงที่มันปวดต้องก็ถอนออกมาอีกมันเป็นอะไรอย่างนี้ได้บังทุกขไม่รู้จักทุกข์เลยนั่งที่ไหนก็ทุกข์ทั้งนั้นเลยเบลมันคิดมันจะเป็นไงน้อนทําไมมันจะข้ามมาไหนไม่น้อหนิร่างกายแล้วสนใจอ่ะ ต้องต้องต้องมีตัดสินกันทั้งวันหนึ่งเอาวันนี้ตายกันทะทีเถอะไปต้องเอาเป็นเอาตายนี่นังมันไปต้องเปลี่ยนวันนี้ให้มันตายเน่ยอาศัยพระพุทธไสโอท่านว่ามันเกิดนี่ยมันดับนะคือความปวดนี่มันเกิดทำไมมันจะดับไม่ได้ดันแหมอย่าพึงไปอธิษฐานง่ายๆนะนี่นะอธิษฐานจะเสียคนเอยต้องทดรองไปเรื่อยซะก่อน อันนี้มันเต็มทีเหมือนกันนะนั่งเขไปปึ๊บร้อนเอ้ามันปวดมันเจ็บสารพัดมันไปไปที่ไหนแล้วมันมีแต่เวทนามันเจ็บมันปวดเท่านั้นเองเงื่อมันได้ออกเป็นเม็ดกระพรูดหยุดนิ่งมันเอ้ามันออกไปมันจะตายก็ให้มันให้มันตายซะบางทีจนขยื้ปบไม่เอาทล้ตายเอาขนาดนี้จนมันพ้นตายซะยุบเลยนะนี่ ทีนี้เมื่อมันชุบลงไปมันพ่นโอ้โหมีปัญญาและมีกําลังเลยทีเอออันนี้มันแปลกเหมือนกันนะเราเนึ้อว่ามันจะจะทนไม่ไหว่ะนึกว่าจะตายเลยนนะปวดอยู่ตรงเนี้ยตรงนี้ปวดนี่นี่ลักษณะทรมานนะเนี่ยไม่จะทําทั่วไปนะเนี่ยมันมีทำเท่านี้ก็มีกําลังแล้วนะเนี่ยไม่จะทําทั่วไปนออืวันหลังมื่มันในที่มันรู้เรื่องที่สุดของมันรู้แล้วนี่นะเมื่อวันหลังเนาะ จะทํามันก็ทํามันข้ามมันได้เนี่เรียกว่าข้ามเมตนาข้ามเมตนาอืมนี่เรียกข้ามเมตนาถ้าข้ามเมตนาไม่ได้เนี่ยโอ้ยไปถึงนั่นก็หยุดแล้วตายทุกทีตายทุกทีทกทําลังมันไม่มีนี่อืมอ่าเราต้องพยายามให้ข้ามมันวันหนึ่งจนได้นะจะรู้เรื่องของมันถ้าเร ถ้าเราได้ข้ามไปวันหนึ่งเราจะมีกลัวแล้วเพราเห็นสภาพสภาพมันเป็นอย่างนั้นเนี่ยออมันกมวยเขเนี่ยถ้ายังไม่ชคนมันกลัวมันนะถ้าเราได้ชกมันเข้าไปแสองมันดูเรื่องไม่กลัวมันแล้วนี่มันกลัวซะเกินไปนี่ต้องทดตรองอย่างนี้เนี่ยข้ามเมตนานะถ้าหากว่ามันเก็บมันปลดอย่างเต็มที่มีความรู้สึกว่าอันนี้มันหายได้อยู่ในใจของเรานี่อืม ถ้าเราไม่จะข้ามมันบันหนึ่งมันต้องเคลียร์ห้มันจะต้องเป็นหนิบมันจะเป็นโดกอะมาพาดมันจะต้องเป็นอะไรตัวอะไรกันบุ่นวายทั้งนั้นแหละขยายออกไปแต่นั่นนี่ยนี่เราจะต้องทดลองมันให้มันดีตรงนี้ตรงทดลองนี่เรียกว่าการข้ามเวทนาแล้วก็นั่งสมาธิให้มันสงบถึงที่มันเขาเรียกตามบัญญัติเขาเรียกอัปปนา เราไม่รู้เรื่องกับปัญนาเราแต่รู้แต่ดีใจของเราอะ่ะนั่งให้มันสงบจริงๆสงบโดยฐานะที่ว่ามันเป็นเองของมันนั่งไปนั่งไปกับนดถูกเดืองมันจะกําหนดเองของมันสงบจริงๆเราก็มองเห็นว่าอันนี้มาสงบจริงไหมมันจริงอันนี้เป็นสมาธิจริงไหมมันจริงเป็นอารมณ์เดียวจริงไหมจริง ให้มันดูเรื่องอ่านเนี่ยมันได้ให้มันออกมีอารมณ์อื่นเข้าไปปนไม่ไม่ปนเกียบร้อย่ยนี่นะคือความสงบถึงที่สุดมันแล้วนั่นอันนี้ต้องให้มันผ่านที่เราต้องให้มันผ่านแต่อย่าวิ่งเมื่อมันผ่านเมื่อมันสงบได้แล้วนะเราก็มาทำปัญญาให้มันเกิดสงบขนาดนั้นไม่พอแล้วนั่น สงบเรื่องสมถะนั้นมันต้องสงบด้วยปัญญาเป็นมิปัส น, นาต้องทําปัญญาให้เกิดไอความสงบเช่นนั้นก็เรียกว่าอยู่ที่ร้อนมันมันไม่สงบลงไปชายทะเลมันสงบเท่านั้นเนี่ยเนี่ยมันหมดร้อนเมื่อขึ้นมาสู่ความร้อนนี่ไม่สงบอีกแล้วนี่เรียกว่าอารมณ์ของสมถะมันสงบแค่นี้อารมณ์ของมิปัสนาอยู่ภูเขามันร้อนร้อนแล้วก็อยู่ได้ลงไปชายทะเลแล้วก็อยู่ได้ เนะอไม่เป็นอะไรอยู่ได้สบายอยู่กำหนดรู้ได้อย่างนั้นมันไม่วิ่งอันนั้นคือมันรู้สุครู้ทุกมันรู้ตาทางปฏิบัติมันรู้อย่างนั้นมีปรัชนานี่แต่เดียว่าเป็นอารมณ์ของวิปรัชน า, นาใช่ไหมอ น, นิจจังถูกขังอนัตตาเรื่องของไม่เที่ยงอันนี้มันแน่นอนจริงๆนะเรายังไม่ทํากันเลยอย่างผมว่าไม่ต้องพิจารณาได้มันมากหรอกหนึ่ง สถานที่ใดนราจะอยู่ปฏิบัติของเราจริงๆไม่ต้องจําเป็นแต่พายบาตไม่ต้องจําเป็นแต่แบกโกดไม่ต้องจําเป็นจะแปอะไรมันบุ่นไวน์มันมากหาเวลาที่อยู่กับครูบาอาจารย์มีสติสัมปชัญญะอยู่ไปเถอะเช็ดกุฏิเราไปทําความสะอาดเราไปวับรรเลงระน้อยเดินจงกรมมัน ม, มีแต่เนื้อเนื้อมันแคนั้นเนี่ยทําสตียมันมากขึ้นอยู่ใกล้ครูบาอาจารย์จะได้ฟังพระธรรมบินายจะได้ฟัง อะรหลายอย่างจะได้ดูท่านท่านเป็นวิสัยท่านปฏิบัติท่านปฏิบัติอย่างไรเราดูเอาก็ได้นเนี่แลราอยู่ใกล้หมูเรารูจักวิสัยของหมูอยู่ใกล้ดิงดูจักวิสัยของดิงอยู่ใกล้ช้างดูจักวิสัยของช้างอยู่ที่ไหนก็รู้จักกันนั้นถ้าเรามีปัญญาอย่างนี้ไม่ใช่นั้นครูบาอาจารย์ที่ได้ฝึกมาแล้วเราควรอยู่ใกล้ท่านอย่างไหนอยู่ใกล้อุปชาอย่างน้อยห้าพันสาร มันมีเหตุผลอย่างนี้เรามีปัญญาไม่ใช่ว่าตรงนั้นภาวนาดีตรงนั้นภา ว, า น, า น, น, ภาวานาไม่ดีไม่ใช่อย่างนั้นอันนั้นมันความความคิดของเรากิดเลสของเราอถ้าหากว่าอะไรก็ช่างมันเธอเสนาสนะพออยู่อยู่ในที่นั่นท่านพาทำพาธรรมตามพระธรรมยีน่ยมีจิตอันน้อยน่อยู่ในป่า ไ, ไม่วุ่นวายแล้ว สงสัยมาได้ฟังธรร ม, อ, มอยู่สบายพอควรตรงนั้นแหละอยู่แล้วไม่เสียเออจอได้เห็นท่านทุกวันในฟังธรรมมีประโยชน์มาก อ, มอันนี้เมื่อหากว่ารวมมาแล้วนะมันจะเป็นอย่างนีถ้ถ้าหากว่าเราเห็นธรรมอยู่ภูเขาทํามมันอยู่ทะเลเนี่ยไปเถอะอ ล, อลองไปเถอะ ยังงันคนทะเลมันก็สงบกันหมดนี่ออากาศมันดนี่จะทําไงเน่ะมันคนในเรื่องกันนี่น่ะเราจะไปติดถิ่นอย่างนั้นดิพระพุทธเจ้าตรัมเมาติดอยาให้รู้อย่างนั้นอยากให้รู้อย่างนั้นมันอยากจะเป็นอย่างนั้ น, นการปฏิบัตินี่คือให้ความรู้เท่าถ้าความไม่รู้เท่าเกิดมันเป็นทุกข์มันแยกกันตรงนี้เองมีปรัชนาก็สมถธานั้นอืม เทำไปเถอะทำสมาธาไปเถอะมันถึงความสงบ ม, มันก็เป็นเองของมันหรอกต่อไปนั่นเห็นอะไรฝึกพิจารณาเอาเอาคนที่มันสงบเอาจิตที่มันสงมาพิจารณาอารมณ์อีนี่ยมันอยากจะวิ่งไปตามสิ่งที่ชอบไม่ชอบใจเมื่อจิตสงบแล้วถึงพิจารณาว่าอันนี้มันไม่แน่เี่ยแม้ตลอดนั่งสมาธิมันมีสุขเออ้อเกินเนะ่นะ ในในใจกิเลสจริงๆก็นึกว่ามันแน่นอนมันจบเรื่องมาแน่นนไม่แน่ตัวปัญญามีเรื่องไมมเนี่ยทั้งนั้นไม่แน่ทั้งนั้นมันจะถึงที่สุดขนาดไหนเขาช่างมันจะเอาละขนาดนี้อย่าไม่แน่ไว้ี่ให้เราสํานองไว้อย่างนี้เรื่อยๆไปอย่าไปไหวใจมันเลยเรื่องจิตใจนี่เรื่องอารมณ์นี่ดูกันไปอย่างนี้เรื่อยไปจนตลอดต้นนี่ท่านเรียกว่าอย่าประมาศเนี่ถูกของท่านเหลือกิน ไม่รู้ว่าใครเขียนนี่เห็นจะเป็นพระพุทธเจ้าอย่าประมาทถูกตั้งแต่ต้นจ น, นปลายเลยทีนี้อ่มันเป็นเช่นนี้ไม่ใช่ว่าทํามาอยู่ตรงโน้นทําอยู่ตรงนี้ศึกษาแล้วถึงไปแล้วเปลี่ยนสถานที่พอสมควรให้มีครูบาอาจารย์อืไม่ใช่มันเงนื่องเล็กพูดง่ายๆให้เรามันพ้นแล้วเสร็จแล้ว เสร็จอะไรไม่รู้เรื่องเสร็จแค่แค่ไหนสงครามนี้ไม่ตายกับมันนะรู้นับรองเจ้าของได้แต่ภายในของเจ้าของไม่กลัวแล้วรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐาภิรมย์อารมไม่กลัวแล้วอืมอย่างนี้ในใจของเราเสมอเนาะก็ต้องเป็นอย่างนี้นักปฏิบัติต้องรู้จักอย่างนี้อืมถ้าอยู่อย่างนั้นเนี่ยมันก็สบายจะทําไงมัน อย่าพึ่งพรรษาสองภาษาอย่าพึ่งเเอาแล้วอย่าพึ่งอย่าไปพึ่งบางทีกบวฏก็มาพึงฟังพึงฟังก็ันเกิดเอา้าเกิดสังขารมันปรุงแต่งะอันนั้นเป็นเกิดเทศกันบุญว <Bye S 2> ายไปอีกอา้าอันนั้นเป็นบ้าไม่รู้ตัวอยู่เนี่ยนะอืมนั่นก็เป็นบ้าไม่รู้ตัวอีกสารพัดอย่างแต่มันจะเป็นบ้าน่ะบางทีมันไม่อยากจะพูดก็ได้บางทีมันพูดมากเกินไปก็ได้ มันเอาพอดีเอาพอดีไม่ได้ไม่พูดกับม่พูดมันเนยดีกว่าถ้มันสงบดีมันไปแง่นั้นเนี่ยบางทีก็พูดมากจนเกินไปเสียหมดถึงนั้นเน่ยสถานที่พอดีมันข้ามไปข้ามมาอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นจงจึงให้หนักกับครูบาอาจารย์ไว้การพิจารณานั้นศีล ส, สมาธิปัญญาเรื่องปฏิบัตินี้ อย่าไปเชื่อตามครูบาอาจารย์เลยลัตทินั่นทำอย่างงั้นลัตทินี้ทำอย่างนี้มีศีลไหมมีภาวนาไหมมีปัญญาไหมมีสมาธิไหมนี่มีพระบินัยไหมนี่ดูตรงนี้นี่บางแหงก็ไม่ต้องเอยอศีลไม่ต้องรักษามันเลยเรียนอภิธรรมไปเลยไม่ต้องยึดไปกันยังพูดกันไปยังไงก็ไม่รู้น่ะ พวเราทั้งหลายจะไปวิ่งมากเลยทำศีลให้มันดีกายวาจาเราให้มันเรียบร้อยไม่ต้องอะไรเราเอาน า, ากวาดมาดูเท่านะั้นแหละหนังสือนาบโกวาดเราเนี่ยนักทำตรีเราเนี่ยมันครบชุดเทนะ่านั้นเนี่ยเอามาอ่านเถอะเอามาดูเถอะวินัย์จะบอกอะไรให้มันกลัวในสภาพนี้ก่อนเถอะรู้จักเถอะนี่ไม่ต้องมากหรอกศีล mm. ก็ไม่ต้องมากทำใหมันเฮ็ดิ ได้เกิดขึ้นจาเป็นสิ้นมดทุกขอ้อืมแล้วอย่าไปคิดอย่างอื่นให้มันมากการภาวนาในที่ประชมุมหูมากอย่างผมตั้งไว้เวลาท่านนั้นตักน้ําสมัยก่อนกวาดวัดเวลาท่านนั่นกวาดวัดเวลาท่านนั่นทำวัดกันเวลาท่า น, นั่นขบชันอะไรกันอย่างเงี้ยนะพยายามทําให้มันได้เถอะภาวนาเป็น ต้องระวังที่พวกเรานี่ไม่ค่อยระวังเดี๋ยวนี้มันพระมันมากจะชันหมดจึงกราพระจะไปอย่างนี้มันขอยากในรถข้อปฏิบัติดังหน่อยหนึ่งแต่ไม่ลดก็คือจะลดให้มันดีขึ้นบางทีพระแก่ฉันจังหันช้าก็น้อยองค์บางองค์ก็ชันจังหันมันช้าทุกวันนี้ผมให้ชันจังหันเสร็จแล้วพอสมควร ก็ดีว่าไอ้พวกฉันเนี่ยมันมากเสร็จแต่มันมากเหลือเจ้าองค์สององค์อะไรเนี่ยบางทีพ่อก็ดันดังครางหรือบอกอาจารย์เลี่ยมดานดังคางไปกราบรีบเอาบาทออกไปทําไปจัดคือไม่ไม่ไ ม, ไม่ไม่ต้องกลับมามากราบพระอีกออกไปให้เงียบไอ้ความเป็นจริงอยากจะให้มันเงียบออกไปสิจะไปกติเราก็ได้ที่ไหนก็ร่างบาททําให้มันสงบ อย่าไปล่างบาดคุยกันอย่าไปล่างบาดมีน้ําตากแดดอืออย่าไปคว่ำใส่คอนกรีตครับก้อนหินเข้าบาดตอนนะี้ให้รู้จัก ร, รักษาอืแล้วก็อย่าไปคุยกันอืล่างบาดเช็ดบาดจะไปคุยกันเป็นเรื่องไหนวุ่นวายไอ้ผมนั่งอยู่ทางต้นแถวนั่นอายโยมเขาแล้วเหมือนขี่เล่า โวเวยโวเวยโวเวยไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะบางทีจนในบอกพระไปดูพระตงนั้นก็ททำอะไรกันนะไนะอยเจ้านายเขามานั่งกันนั่นนะไม่รู้เรื่องทางนี้มันสงบท้งนั้นมันวุ่นวายไม่ดีออกไปมันพ้นถ้าจะออกไปล้างเนี่ยมันดีเรียบร้อยรียบเข้าปฏิของรรงทำเพียรไปเลยในเวลานั้นอย่าไปนั่งคุยกันในเสียประโยชน์เลยไปถึง กติเราเอาผ้าของเราตากแดดเก็บบาดเราเดินโยกลมอมอมืเดินโยกลมพอกีวรนน่ะมันแห้งพอก่อนน่ะมาเลิกกีวรเราเก็บไว้จะพักกรก็พักก่อนสเออจะพักกรถ้าจะสามสิบนาทีหรือชั่วโมงหนึ่งก็พักกรลุกขึ้นมาก็นั่งสมาธิเดินโยกลมแถวๆนั้นเนี้ยกว่าได้ยินเสียงระฆั ง, งท่านปึ้งเห็นต้นเตรียมตัวเลย ขึ้นไปกราบพระเลยมาเมื่อทําจิจวัดเสร็จแล้วจะกลับไปให้มันเสร็จทุกๆคนเราทำกิจของเราเสร็จส่งน้ำส่งท่ากลับไปถึงกติกของเราขึ้นกูเทียบไปก็กราบพระขึ้นก็กราบลงก็กราบกราบมันทั้งนั้นให้มันมีสติให้มันชํานานให้มันในอยู่ในสันดาน จะพายบาทแบกโกรธไปอยู่ในป่านั่งลงต้นไม้ต้นนี้กราบต้นนี้ไม่ได้หยุดนีฝึกบางคนเขาเห็นบ้าๆบอๆกราบทั้งนั้นกราบมันทั้งนั้น่ะมันไม่เป็นนี่จะทําไงมันนีฝึกอย่าไปกลัวมันทั้งนั้นเรามีความหมายทําอะไรเราทํามีความหมายอืมฝึกไปนั่นให้พากันฝึกพิวัตรเหล่านี้ ตอนที่สองทำงานทาอะไรเป็นทนจะไปพูดกันเสียงดังมากเกินไปมีการโขบการชัดคุยกันเหมือนคนขี่เหล้ากินเหล้านี่มันไม่น่าดูมันไม่น่าฟังอืมมันไม่ดีขนาดนี้ก็ปฏิบททัติมันได้เถอะค่อยๆพูดกันอะไรต่อไรกันอย่างไปบิณฑบาตในบ้านผมผ้าดีแล้วยไปบิณฑบาตสังวรสังรวม ไปในบ้านเห็นพระเนนที่ใหม่ๆไม่รู้เรื่องแต่ฉันในบ้านตรงนู้นดูเจ๊กดูจีนดูอะไรต่ออะไรวุน่นนะมันไปดูอะไรทำไมมองดูขนาดนี้ก็พอแล้วนะบางวงก็ต้องมองกันจนไม่รู้เรื่องอมอมไม่รู้เรื่องมันยิ่งกว่า ไ, ไ, ไ, ไาาอ้คารวาสเขาเพราะว่าข้าอยู่ในป่าไม่ได้เห็นนานแล้ว เข้าไปในบ้านเห็นนอนเห็น น, น, หนี่ีนตรึงตาขึ้นดูเรือเกินมันหิวมันหิวจริงๆ เ, เป็นเหมือนสุนัขมังเนาะอยู่ในตลาดไม่ค่อยเห่าหรอกเนาะเอามาไปในป่าเราสักหน่อยที่มันถูกลมพัดใบไม้ดอกเห่าตลอดคืนนะมู น, นตื่นเต้นอันนี้สำคัญระวังมากที่สุดไปบินถาวรนี่ เดี๋ยวกลับมาก็หม่มซะผ้านั่นบางคนก็ดึงผ้านี่ขึ้นคางเดียวนี่เดินมามคุยกันบุ้นบางทีก็นั่งเรียงคู่กันยืนเรียงคู่กันคุยกันเรื่อยๆมาถึงวัดรกรรมฐานหายหมดไม่มีเหลือแล้วมันไปที่ไหนก็ไม่รู้มันพวกนี้ก็คุยอีกอมไม่ในเรื่องอะไรภาวนาไม่เป็นเนีย ถ้าจิตใจไม่ส ง, งบมันก็ไม่สังวรไม่สังรวมดูเอาก็รู้จักรู้จักไม่เป็นภาวานาไม่เป็นเสียหายมากต้องดูต้องดูงดเน้นกลงมาไหมล่ะเห็นกลงมาไหมนั่นนะตัวสำคัญตัวหนึ่งไม่ได้ภาวานาหรอกเน้นเนี่ยเออ มไม่ภาวนาหรอกในกลางนี่ไปดูตนนั้นไปดูนี่ท่านนั่นแหละอ่า อ, อ่า อ, อันนี้ให้บริการําแข้งเนี่ยดีโครมโครมโครมโครมโครมตรงนั้นเนี่ยเงียบไปนแล้วถึงเวลาทําเพียรนั้นไปคุยตรงนั้นถึงเวลานอนกับมันไม่ไมีเวลาทําเพียรเนี่ยอยู่ไปเฉยๆอยู่ไปนี่ระวังพวกเราให้ระวังอย่าไปเอาตัวอย่างเป็นตัวอย่าง อืไม่ดีไม่ดีไม่เป็นอืมเดี๋ยวก็พังในวันในมาหนึ่งก็พังอ่ะมองรู้ก็รู้จักแล้วไม่ยากหรอกคนไม่รู้คนนี่ก็ลาบากเหมือนกันอยา่าเขไปใกล <c oughs> เก้เป็นผู้มักน้อยเป็นผู้มักบางอืม <c oughs> ให้รู้จักประมาณพอสมควร <c oughs> ให้รู้จักดูครูบาอาจารย์ดูหน่วยเหนือท่านทำพูดก็พูดอย่างสมณะเดินก็เดินอย่างสมณะฉันก็ฉันอย่างสมณะให้มันงามเถอะให้มันงามให้มันงามนุ่งหมกีวรก็ให้มันงา ม, มเช่นว่าวัดประพง์เหล่านี้เดี๋ยวนี้มันยิ่งรวม รวมรวมฐานมันยิ่งมากสมัยนี้เราถ้าหากว่าทิ้งข้อวัดปฏิบัติแล้วเสียหายไม่นานต้องช่วยกันช่วยกันในทุกอย่างมือเช้านี่แวะเข้าไปใ น, ใ น, ใ, นในกติของใครอยู่ตรงนั้นเนี่ยโดยประตูเขามาเนี่ยบอกโุกูเข้านี่ นี่นี่กะทิของใครไม่รู้สุขุมกันไม่รู้เดินกันไปในซ่วมโอ้โหปลวกมันกินจนพังหมดเนะ่ยไม่เคยมีเอาไม่กวาดไปกวาดเอน้ําในซ่วมก็ไม่มีปลวกกินทังนั้นทำไมถ้าไมไม่เอาไม้เคาะๆออกบ้างะ่ะเคลียบางเอาน้ำสาดใส่บ้างให้ขี้ปลวกมันไหลออกไงกวาดรอบๆฐานซ่วมทําไมไม่ทา ฐานกติทําไมไม่ทําทําไมไม่ดูไอคนเขามีศรัทธาเขาสร้างให้เราอยู่มันยิ่งลาบากกว่านี่ไหมที่เขามามองเห็นมองเห็นเท่านั้นเขาก็พอใจเขาแล้วอออันนี้คือปฏิบัตินี่กรรมฐานนี่ อ, อืดูหรือไม่รอบครอบตรงนั้น เ, ออเสียหายตรงนั้นนะ อ, อืจะไปที่ไหนอะไรก็ไม่พอไอคนคนนี้ไม่พออ อ, อ, อ, ออืห้องช่วม เราต้องอาศัยอยู่นั่นแล้วต้องพยายามดูน้ําดูท่ามาแขกทันตุกะมา เ, เอาบอ ก, กรองใหญ่ๆที่มันทิ้งอยู่ตามนั่นไปใบกรองใส่ขานเทล้างเดี๋ยวอะนานๆตัวตัวสัตว์มันเกิดขึ้นมาอย่างนั้นอันนี้ปลวกมันกินกันเป๊ะป่ามันผมไปเคาะปลวกทั้งนั้นหลายครั้งที่ผมไปเนี่ยไปถามนี่ไม่รู้ว่าใครอยู่ตรงนั้นปติล้างไก่ไกออกไปว่านยมชีเลยเนะ่ย รานวัดทำไมไม่กวาดเล็กเล็กน้อยน้อยท่านนั่นนะ่ะมันสกรปรกแล้วนะ่ะห้องส่วมนั่นนะ่ะทำไมไม่ทำไม่รู้ว่าดับตากันอยู่ยังไงก็ไม่รู้ไปดูเท่านี้แลียวก็โอ้ยมันเห็นใสหมดปฏิบัตินี่เรามันจะมีอะไรมากตอนกลางคืนตอนเช้าตอนบ่ายนะ่ะเราได้ไม่กวาดต้องไปกวาดกติเราจะต้องไปเช็ดอันนั้นอันนี้ ก็เกิดประโยชน์เด่นี่กว่าจะไปคุยกันอยู่อย่างอื่นนะให้มันเสียประโยชน์เราหนึ่งว่างๆเราทํามันได้นั่นให้สะอาดกติเล็กๆสว้วมเล็กๆทําให้มันใช้สะอาดก็ได้ในสว้วมสกกระกปกบุมามทั้งนั้นะทําไมถึงพากันฝึกทํากันอย่างนั้นไปอยู่ที่ไหนก็เป็นอามงคลทั้งนั้นไม่เป็นมงคลเนาะนี่ทําทอย่างนั้น มือนั่งรับตาสมาธิไม่รู้จะนั่งอะไรก็ไม่รู้ได้่องมุขส่วมไม่ล้างไม่สะอาดเลอะเทอะมันไม่สมควรแล้วไปดูกติข้าวไทยเออมีปวดลานวัดมีทางเดินจงกรมกติก็สะอาดห้องน้ำห้องส้วมก็ไม่มีพวกสะอาดไร่องคนั่นนะภาวนาเป็น ไม่เป็นก็จะเป็นต่อไปให้พากันดูดสิสวมแล้วละสวมสักเม็ดหนึ่งจงกวาดออกไปไม้ปลวกมันเข้ามากินเข้าไปสร้างมันถึงสักปีสองปีสามปีมันถ้มามัอยู่ปีเดียวสองปีมันเลือดเทอะเหมนะือนยันี้นี่ก็มีกติที่ไม่มีมีกุญแจละเดี๋ยวอื้ ผมสมัยก่อนผมไปเที่ยว ต, ต้องมีลูกมีกุญแจใส่กระเป๋าไปเลยกุญแจที่เขาให้พระกรรมฐานอคันตุกาไปเขาไม่มีกุญแจหรอกไปใช่ค่ะไปดึงกุญแจเขาเขาดึงใส่อยููเขาเอาไปแจ้เข้าไปอะไรวุ่นเนลยนะืะเขาไม่ให้เราต้องเอากุญแจเราไปไปเคาะไปต่ออย่างนั้นได้อันนี้กรมือนกันเนี่ยออืแก้ให้ไม่ได้แนละ้ว ไปทิ้งนะันตุกะบางทีไปเอาไปเลยบางทีเอาเรืเลยไปตัดกันวุ่นวายเอออันนี้คนดีเหมือนกันนี่ต้องควรต้องพิจารณา ม, มันบาปนี่นะไม่ใช่เรื่องของพระอริยเจ้านะเรื่องเราทำย่างนั้นเรื่องพระเทวทัต เรื่องไม่รักษาเสนาสนะไม่รักษาห้องซ่วมไม่รักษาที่อยู่ที่อาศัยนี่น่ะมันไม่ใช่เรื่องเล็กเล็กนี่มันไม่เรื่องหยาบเรื่เกินเรื่องหยาบคลายมากที่สุดให้พระกันเข้าใจท่านอยู่ที่ไหนอาการตุกะมาก็ดีไปที่อื่นก็ทำเราไปยาไปทําอย่างนั้นจงทําให้มันสะอาด เบีจากกดีเขาให้อาศัยก็ต้องทำให้มันสะอาดกติวิหารเขาให้ให้อยู่อาศัยก็ต้องทำให้มันสะอาดให้มันคุ้มค่าเมื่อไปก็ไปขออยู่เมื่อจะไปก็เช็ดต้องล้างต้องทำให้มันสะอาดจัดของเสื่องเสนาสะนะถวายท่านผมมอบเสนาสะนะให้ผมจะไปอีกให้มันดูเรื่องอันนี้ไปก็ไปมนวุ่นวายกัน ด, ด้วยไปในคยดี มไม่ค่อยดีถ่วยมากไปเที่ยวกันอะไรก็ไม่รู้เนะอืมตายเลยเก็บหอมรอมรลิค่ารดค่าลาเขาไปได้แคสี่องค์ห้าองค์ายมันน่ารังเกียจเหลือเกินก็วันพระภาคีสานิโกโลโกสูนพระทุกพระยากพระลำบาก ส่งค้ารถคาเรือให้สีองค์ห้าองค์ไปบ่อยเลยสับเปลี่ยนกันไม่ได้ขาดแต่าะวันเลยไปองค์นี่ไปวุ่นวายเออถ้าไปอยู่เนียนั่นทาจิตอะไรช่วยจเจ้าอาวาสช่วยที่อยู่ก็ยังดีนะมันก็ยังดยงียิ่งไปทําลายสูบหัใหม่สีฟันเลยแปลงสีฟันเยอ่าเอ้ย ใช่มันครึ่งเดียวเนี่ยทิ้งมันเกื่อนกาดอยู่ตามนั่น อ, อยากไปเที่ยวทำไมเที่ยวไม่เป็นเที่ยวไ ป, ป, ไปทำไ ม, มเที่ยวไปวุ่นวายคนอย่างนั้นมผมไปผมไม่ได้กวนใครแล้วถ้าจะไปผมก็ไปเดินไปทำป้า ใครอยากจะช่วยขับรถก็ก็ช่วยไปรับตามเรื่องก็ไม่มีช่วยแล้วก็เดินแล้วไม่มีธุระดีบลอนนั่นแหละอย่างนั้นสมัยนี้ไม่ได้แล้วันนี้บุญลาบากอืผมไปเห็นแล้วยก็เห็นลาบากาไปเที่ยวเล่นเฉยเฉยนั่นไม่เกิดประโยชน์อะไรมันไม่มีประโยชน์ในศาสนาเนี่ยไม่สําคัญต้องมีธุระไปหาครูบาอาจารย์ขัดข้องอะไร ศึกษาอะไรช่วยอะไรเงียบมันีเนี่ยูไปน่นมึงก็ไปน่นพูอยากไปนั่นมึงก็ไปนั่นไปอันนี้อันหนึ่งเหตุต่อมันจะเสียหา ย, ยานี่วัดเราเนี่ยเสียแนย่นอนต้องเสียอันนี้อันหนึ่งเป็นเป็นเป็นสิ่งที่จะเสียหายในการต่อไปนี่แค่นั้น ออผู้เที่ยมาบวชใหม่นี่ก็ให้อยู่ให้อยู่ไปฝึกไปจอไปผมจะพยายามรวมรว ม, รวมที่พระที่พอสมควรในอยู่เดียกันในหลายองค์พอจะได้ช่วยกันตั้งรากฐานใหม่ตั้งรากฐานใหม่ใ้ความเป็นจริงนั่นน่ะถ้าบวชกันมาเป็นชุดเดียวกันน่ยผ้าขาวที่หลายมาบวชก็จะเดินดีถ้ามาสลับก็เนนเก่าพระเก่าที่ไม่รู้เรื่องเสียหาย้วย ถ้าเก่าเนนเก่านั้นจะพาให้เสีย น, นี่เก่าไม่สะอาดเนึ่ยเก่าสกรปรกอ่ะเสียมัดนั้นกับคุณโสมมาเหมือนกันเนี่ยตาขาวมาสั่งหลายหลายก็ดีแต่ว่าเขามาหาเนียนสององค์เลยเสียหายไปหมดเนนมันฝึกเนนเก่าอะ่ะเก่าไม่สะอาดอยู่ในนี่ผมก็สังเกตในเหมือนกันโดยมาก ไอ้พระใหม่ๆเน้นใหม่ๆเข้ามาเราฝึกเราได้นี่นะไอ้คนเก่ามันไม่ทําคนเก่ามันเป็นหัวหน้ามันก็เสียมุดขนาดนั้มันไปไม่ไหวอ่ะมันไปไม่ไหวมันเสียหายถ้ามันครุกคีกันหลายมันเป็นเห็นไหมเนี่ยเป็นอย่างอาจารย์อาจารย์เปร์เห็นไหมล่ะอืนายภาษามันจวนจะตายแลต่ทาไมมันเป็นได้อย่างนั้นนะก็เพราะการคลุกครีกันนี่เอง ไม่ต้องปฏิบัติคลุกคลีกันอยู่อย่างนั้น น, นอนกอดกันเกี่ยวกันกติหลังหนึ่งนอนสององค์สามองหวุ่นวายเห็นไหมนี่มันเป็นมันเป็นมันเป็นอย่างนี้นรักษาไปเถอะระเบียบนี่นะครูบาอาจารย์ ร, รักษามาถึงขนาดนี้เราจะทอดทิ้งมันทำไมเราพยายามช่วยพยุงต่อไปดิแล้วใครจะมาทำอย่างนี้ละ่ะ ต่อไปนั่นถ้าเราไม่ทำกันใครจะทำกันจนะช่วยเสียหายเนี่ยนี่ไม่นานถ้าครัวบาาจยา์รุ่นนีตายหมดเลยหมดมต่อต่อไปกระลอกกระแตจะเหลือกันไม่รู้นี่เพราะเราไม่รู้เรื่องทรงไว้ ปัาจยยามทรงไวปัจจียศรัทธาดีๆปฏิบัติเสียหายเดี๋ยวนี้เสียแล้วผมไปดูๆๆไปเนมันเป็นไปไม่ไม่ไม่ไมไมดีบางงงก็ดีดีไปท่นะเราจะเราจะทำประโยชน์ส่วนรวมก็ดีๆไปแอบแบอไปอยู่กับเขากับเพื่อนเขาฉะนั้นเนี่ยไม่ได้ทำอะไรแล้วจะไปภาวนาก็ไม่ภาวนาแลืม บางทก็ไปวัดอื่นก็จะช่วยการงานเขาว่าไม่ช่วยประโยชนอย่างนั้น่ะเดี๋ยวก็ไปนั่นเดี๋ยวก็ไปนี่ติดต่อก็โยมคนนั่นติดต่อกับคนคนนี้ก็ไปนั่ น, น, น, น, น ไ, ปไปเพราะเมื่เดี๋ยมันขาดทุนทั้งนั้นเรื่องดีๆไม่ค่อยเอามาพูดให้ฟังหรอกเรื่องไปไปทําข้อวัดเนี่ยมันเสียหายทั้งนั้นโดยมากแต่ไม่ทุกคนอก แต่มาอยู่กับเราเราก็อยู่ไม่ได้ละอันนี้อันเนี้ยมันไม่ถนัดใจโจรมันอยู่กับเจ้าหน้าที่ไม่เคยได้หรอกมันกลัวแอบแอบไปหาทาอยู่คนอื่นก็นู่นไปาตามเรื่องมันมันไปในทำนองนี้ไม่ใช่ว่ามันเสแสรงหาพระธรรมีนะมันเป็นในทำนองนั้นการเสพเม็ดทุนการขโมยของนี่เป็นต้นมินต่ออันตราย เป็นสิขาบทที่มันหนักที่แก้ไขไม่ได้เป็นไปเราเสียจากพระไปอันนี้เราก็คงรู้จักกันได้ที่สองที่เป็นอวบจตกแก้ไขได้คืออบวบสังฆทิศพวกเราทางด้ายซึ่งไม่รู้จักละเมิดบ่อยนักออันนี้เป็นที่ปฏิบัติของเราเช่นว่าองค์กําเนิดที่มันกดแข็งขึ้นมาเนี่ยเรามีความกําหนัดบร้งซะ ไปจับไปกรรมไปทําอะไรมันหลายๆอย่างทําไมหาความสุขอืมหาความสุขให้มันบ้วนทาลายออกมาแล้วก็มีความสุขบ้วนวันนี้ก็ไม่พออีกแล้วก็วันหลังบ้วนอีกนี่นี่เป็นนิ ส, สัยอันนี้เป็นกรรมมาหนึ่งอันนี้จงประกันรักษาเองต่อไปถ้ามันเกิดเป็นขึ้นมาแล้วก็ลําบากกระสงทั้งหลายอืม ให้คอยระวังสังวรสังรวมต่อไปนี่พระพุทธเจ้าของเราท่านสอนอย่างนั้นต่อ น, นั้นไปเป็นเรื่องประพฤติธปฏิบัติเป็นเรื่องของพวกเราเองอืมวันนี้ก็นับว่าการบรรพชาประสบทสําเร็จ์ลงด้วยสงพร้อมกันไม่มีการที่บกพร่องประการมิฉนันเห้ถือว่าเป็นกลุ่มสหธรรมิกโดยกัน ให้มีความรักใคร่กันให้มีความเมตตากันสงเคราะห์กันถึงแม้ว่าเราอยู่ต่างประเทศก็ดีออยู่คนแห่งนหนอนก็นดีอก็ให้ใจให้มารวมที่อธรรมะของพระพุทธองค์ว่าก็เป็นอนเดียวกันทั้งนั้นรูปร่างสันฐานวันนะไม่มีอะไรแปลกอก็เป็นอยู่อย่างนั้น ฉะนั้นพระพุทธเจ้าก็เน้ต้องการจิตใจให้มารวมเป็นเดียวกันฉะนั้นเนี่ยพวกเราทั้งหลายถึงแม้จะอยู่ต่างภาษากันก็ะจางเถอะไม่รู้จักภาษากันแห่มันรู้เรื่องกันนี่พูดกันไม่ได้มองดูหน้าดูตากันรู้เรื่องกันจิตใจก็สบายมีค่อยๆไปด้วยกันอือก็เป็นสมณะกลุ่มเดียวกันฉะนั้นจึงมีความรักใคร่เมตตากันทุกท่าน มีอะไรเกิดขึ้นในจิตของเรานั่นพูดกันดีๆทุกท่านให้ความเห็นกันดีๆว่าผมรู้อย่างนั้นผมเป็นอย่างนั้นเนี่ยฟังรับฟังอทุกสิ่งทุกอย่างเราจะแนะนําคําสอนธรรมะถึงผมให้ธรรมะก็ดีพรุภากาโรให้ธรรมะก็ดีสันตจิตตัวให้ธรรมะก็ดีท่านให้ฟังไว้ ท่านี้เป็นผูกฟังฟังเฉยเฉยอย่าไปพุ่งว่าอันนั้นดีแล้วอันนี้ไม่ดีแล้วเราอย่าวิ่งตามมันทางโน้นทางนี้เราพยายามดูอืมแต่ผมเข้าใจว่าตามความพิจารณาอะไรที่มันวิ่งอะไรที่มันวิ่งเป็นวงกลมมันเร็วที่สุดนะมันจะวิ่งตามมันไม่ทันเราต้องอยู่เฉยเฉยแตดูให้มันวิ่งตัวเราไม่ต้องวิ่งกับมัน อยู่เฉยๆเอยมันจะวิ่งมาเราดูเฉยๆเรามันมารอบเรานั่งอยู่ทีเดียวก็หมายความว่าจิตของเราหยุดเมื่อจิตของเราหยุดแล้วรู้สึกแล้วมันจะรู้สึกได้หลายอย่างถ้าวิ่งตามมันเนื่อไม่ทันถ้าหยุดแล้วทันอันนี้มันก็แปลกเหมือนกันนะอารมณ์ทั้งหลายนี้ก็เหมือนกันมันจะเป็นของมันอยู่อย่างนั้นพระพุทธเจ้าท่านว่าให ฟังด้วยความเคารพฟังไปอารมณ์เราฟังไปก็เพราะพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยท่านสอนมาให้ตรงไปเนี้ยอย่าไปทางนี้อย่าไปทางนี้อย่าไปทางนี้ท่านให้ตรงถ้าก็เห็นถูกมันก็ถูกอยู่นี้ถ้าผิดมันก็ผิดอยู่นี้ อย่างนี้เราอย่าไปยึดมั่นถือมั่นอะไรทางนั้นให้ความเห็นของเราที่เกิดขึ้นมาในใจของเรานี้มันก็เป็นความเห็นนั่นหนึง่งห้ความจริงใครๆก็ยังไม่รู้จักเพราะมันเป็นของมันอยู่อย่างนั้นอืมอเป็นอยู่อย่างนั้นมิฉนั้นพระพุทธเจ้าจึงให้สังวรสังรวมวางไว้อย่าเขา้าอย่าเพึ่งเข้าใจข้างโน้นอย่าเพึ่งเข้าใจว่าข้างนี้ ให้ดูเฉยๆคุณมีปัญญาต่อไปมันจะเกิดความรู้สึกมันจะมีปัญญาขึ้นมันจะไม่วิ่งไปตามอารมณ์ท้งไหนเหล่านั้นคําสอนที่สุดของพระพุทธเจ้านั้นท่านให้วางท่านให้วางกรรมแล้วก็วางกรรมแล้วก็วางกรรมมันรู้รู้แล้ววางอย่างนี้ อืผลที่สุดก็ต้องเป็นอย่างนี้ทั้งหมดก็ต้องวางถ้าเรารู้ในใจของเราทุกอย่างเมื่อเรารู้แล้วรู้แล้ววางนั่นถูกอะรู้แล้วไม่วางอย่างไม่ถูกอะนี่ของฉันนั่นของฉันนั่นของเราไม่ถูกวางรู้แล้วก็วางรู้แล้วก็วางรู้แล้ววางนี่เพราะว่า คำสอนของพระพุทธเจ้าก็าหมดหมดไม่มีเรืออืมไม่มีเรือหมดไม่มีเหลือหมดไม่มีเรืออมมื ม, อมันมีแล้วก็ต้องให้มันหมดหมดไม่มีเรือเมันสิ้นที่ท่านเรียกว่าขีนาสาวะเป็นผู้สิ้นจากอาสวะให้ความดีรู้อวัง ไอ้ความชั่วรู้วางอย่าไปติดทันสองข้างนี้ถ้าเราไปติดอยู่ข้างนี้ไปติดอยู่ข้างนี้มันก็เป็นเหตุถ้ามีเหตุมันก็มีปัจจัยอือย่างนี้เรื่อยไปอืมนี่เรียกว่าเราเกิดพระพุทธเจ้าธรรมเกิดถ้ามีเกิดขึ้นมันเป็นเหตุให้เกิดออืมอ มีปัจจัยปรุงแต่งแล้วมันเกิดขึ้นมาเกิดได้มันก่อนต้องตายเรามองไปรอบๆทั้งหลายทั้งหมดน่ะไอ้คนตายมิแต่คนเกิดเท่านั้นน่ะมันตายไอ้คนไม่เกิดไม่เคยเห็นตายนี่ให้เข้าใจอย่างเนี้ยจะไปมองดูอื่นไกลอะไรที่มันเป็นเหตุมันมีผลอะไรมันเป็นเหตุแล้วมันเป็นผลนี่มันก็เป็นโุกีวีใส่อยู่อย่างนั้นมันมีเหตุมีผล ก็เรียกว่ามันมีเกิดแล้วมันมีตายมันมีสุขมีทุกข์มีเกลียดมีรักอยู่เป็นอย่างนี้นี่มันเป็นโลกอืมเนี่ยเนี่ยเราน้อมกลับไปตรงนั้นอืนี่พ้นที่สุดคําสอนของพระให้หมดรู้เหตุกว้างเหตุรู้ผลกว้างผลไปอยู่ตรงไหนอยู่ที่นอกเหตุเหนือผลนั่นนอกเกิดเหนือตายนั่นอยู่ที่นั่นอืมอยู่ที่มันสิ้นมันหมด ตรงนั้นก็ไม่มีอะไรจิตใจแล้วก็สงบจากเหตุผลสงบจากความเกิดตายสงบจากความสุขทุกข์อยู่ในความสงบอย่างนั้นี่ไม่มีเหตุผลอะไรตรงนั้นธรรมานอกเหตุเผลแล้วที่สุดนี้เรามุ่งไปตรงโ น, น้นที่เราปฏิบัติกันนี้เรามุ่งไปตรงโน้นอนืมิจฉานะพระพุทธเจ้าท่านก็สอนแค่นี้ ต่อ น, นั้นที่เราปฏิบัตินั้นเป็นเรื่องของเราที่จะเดินทางต่อไปเป็นเรื่องของเราท่านบอกแค่นี้อืมท่านมีเรือราหนึ่งแล้วก็มีพายเอาให้เราท่านก็ปล่อยให้เราทั้งเรือทางพายแล้วก็ปล่อยให้ถ้าเราจะพายไปเรือมันก็วิ่งถ้าเราไม่พายไปเรือมันก็หยุดอยู่อย่างนั้นอันนี้เป็นเรื่องของเรามีฉะนั้นผมซึ่งเป็นอุปชาของพวกท่านทั้งหลายวันนี้ ก็เหมือนกันอาจารย์สวดทั้งหลายวันนี้เหมือนกันเพื่อประกอบสิ้นส่วนทั้งหลายให้มารวมเข้ากันให้เป็นพระอืมให้ตรงเข้าไปสู่ความสงบทั้งนั้นก็ไม่มีอะไรแล้วอยู่ด้วยกันไปอยู่ด้วยความสมัครใอยู่ด้วยความสงบอืมอย่างนั้นมีอะไรก็ อ, อย่าไปมองกันในทางที่มันผิดจิตใจของเรานี้เป็นเครื่องวัด พระพุทธเจ้าว่าทําจิตใจเขาให้สงบในทุกข์เกิดถ้าใจเราเป็นทุกข์อันนั้นไม่ใช่คําสอนของพระนะใจมันเป็นทุกข์มันเป็นทุกข์มันเป็นร้อนมันเดือดร้อนกังวนกวายอันนี้ก็มือนกันฑ์ฉันนันเมื่อเราหวดเป็นเน้นเมื่อเราหวดเป็นพระก็คือคนคนเก่าอ่ะ ไม่ใช่คนอื่นเนาะคนเก่าอ่ะเอเป็นนาคกว่าเป็นคนคนนี้อืเป็นเนนกว่าเป็นคนคนนี้เป็นพระกว่าเป็นคนคนนี้คนเก่าไม่ใช่คนอื่นเป็นคนเก่าอืมเป็นคนเก่าไม่ใช่คนคนอื่นฉะนั้นอย่าพึ่งไปสําคัญตัวว่ามันเป็นโน้นเป็นนี้ของเก่าอ่ะที่เราปฏิบัติ เพราะฉะนั้นเหมือนเราทุกรุ่นทุกรูปทุกนามที่ที่อยู่ร่วมกันนี้ถ้าพูดตามความจริงแล้วนะ่ะไม่มีไทยไม่มีฝรั่ง ม, มีดิน ม, มีน้ํามีไฟมีลมเท่านะั้นไม่มีอะไรแต่ น, นั้นอันนี้เรียกว่าสมมุติขึ้นมาอืมาิฉะนั้นทุกท่านที่มารวมอยู่กันนี้ให้มีความเมตตาจิตสม่ําเสมอ อืรักกันโดยธรรมะอย่ารักกันโดยโรคซึ่งในเวลานี้พวกเราซึ่งเป็นคนไทยซึ่งเป็นคนฝรั่งซึ่งอยู่คนใดแดนที่มารวมกันได้อย่างเนี้ยเป็นประโยชน์อย่างหนึ่งให้ประชาชนในกลุ่มชนนี่ดูอย่างพวกท่านทั้งหลายอุตส่าห์มาบวชในเมืองไทยนี้อืม ก็เป็นเหตุอีกอันหนึ่งซึ่งมีการปลูกศรัทธาคนไทยให้มีความเรื่มใสในพุทธศาสนา ย, ยิ่งยิ่งขึ้นมาเลียนี่เมืองไทยเนี่ยนี่มันจะเสื่อมเสื่อมไปแล้ว อ, อย่างที่มาหาพระจะค้นหาธรรมะอย่างแท้จริงก็ไม่เมีมาขอเหรียญกระหลวงพ่อมาขอนำมนก์กระหลวงพ่อ มาขออะไรอะไรได้ไหมเนะี่ยไม่ดูเรื่องเออจ้านั้นเนี่ยอย่างมากก็เอาอาหารดีๆมาถวายเราฉันเได้บุญห้ายไอ mm hmm. ้ธรรมะแทะ้ๆเนี่นมันกลายไป mm hmm. ไม่ค่อยจะเห็นไม่ค่อยจะปฏิบัติกัน mm hmm. อย่างนั้นในเวลานี้โลกยกําลังเป็นอย่างนี้ mm hmm. เราจึงมีความรู้สึกว่าเราอยู่คนในประเทศใ้มารวมกันอยู่ที่นี่มันก็เป็นของแปลกเหมือนกันอืม mm hmm. นั้นจะมีความภูมิใจประชาชนทางหลายเห็นพวกท่านทางหลายซึ่งอยู่ในเมืองนอกอืมมารวมกันในเมืองไทยมาฉันข่าวเหนียวก็ได้มาพูดภาษาไทยก็ได้มาพูดภาษาลาวก็ได้มาอยู่ที่ทุกๆอย่างยากลากบากก็อยู่ไดอ้อย่างนั้นผมจึงพูดว่าเมื่อไปกรุงดอนดอนเป็นนอกว่าพวกท่านนี่จะต้องไปทํา็อกเตอร์ บัตรน้องประพงศ์คือเัตรไปทำนกเตบัตรน้องประพงศ์คือเปลี่ยนผมมีความรู้สึกว่าพวกท่านทั้งนั้นตายไปแล้วคืนมาตายแล้วคืนมาคือมาพบปรับตัวเขาในอากาศกับอาหารสารพัดอย่างอย่างนี้พวกท่านทั้งหลายก็มีความอุตสาห์ฝ่าฟันอุปสรรคนี้มาแม้ตลอดถึงคำพูดหรือขานหน้า เป็นต้นบวชได้ในพุทธศาสนานี้ก็เรียกว่าอืน่าเรื่มใส่และพยายามอืเป็นไปได้อย่างนี้นี่มิฉะนั้นพวกเราทุกๆกลุ่มทุกๆเราผมเป็นอุปชาอาจารย์ที่สวดนั่นก็เป็นอาจารย์ของเราทั้งหลายอย่าลืมกันให้มีความเคารพคาระวะคณะสงฆ์ทั้งหลายที่มารวมกันอยู่นี้มีความสงเคราะห์อนุเคราะห์พวกท่านทั้งหลาย เต็มที่อย่างนี้เป็นต้นอันนี้เป็นบุญอันเลิศเป็นบุญอันประเสริฐมีิฉะนั้นต่อ น, นี้ไปขอขวกท่านทั้งหลายจงไปสังวรจงไปสังรวมประพฤติปฏิบัติด้วยตนเองของสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เราอยู่ร่วมกันไปก็เป็นเพื่อนเป็นมิตรกันไปใความดีความชั่วทำเอาเองอกตศาโรตถาคตาพระพุทธเจ้าเป็นแต่ผู้บอกเท่านั้น ไม่ใช่เป็นคนที่ทำให้เราถ้าเรามีความเห็นอย่างนี้ฉะนั้นท่านทั้งหลายจึงอยู่เป็นสุขเป็นสุข้ดยสันติธรรมให้บรรลุคนุณนธรรมมันยิ่งยิ่งขึ้นไปอยู่กันใยความส ง, สงบสงบสุขในวัดน้องป่าคงนี้ฉะนั้นซึ่งหวดมาแล้วเลยมาก <c oughs> มเราจะเที่ยวสัญจรไปมาที่ไหนเราก็ต้องศึกษาอุปชาศึกษาอาจารย์ เพื่อนพิสูจน์ทั้งหลายนี่ฉะนั้นเราจึงขอหนีสายถ้าเราไปไเรืยๆไม่รู้เรื่องที่เราไม่รู้เรื่องอะไรสารพัดอย่างมันก็ลาบากเหมือนกันไม่ค่อยจะดีอืพวกเราทํางหายก็ไปมาบ้างแล้วไปนูน่นไปนี่ตามสาขาทั้งหลายนี้นี่แล้วก็มารวมปฏิบัติอืนก็ให้ไปอืมโดยมากอยู่ในอารักขาของพ่อแม่ ของกฎเกณฑ์ซึ่งว่าเราขอนิสัยนั้นให้มันได้นิสัยซก่อนเป็นพิสูจกเก่าก็เรียกว่าห้าภาษาห้าภาษานี้ถ้าเรามีหูก็ต้องได้ฟังศึกษาเราเรียนจนพอสมควรห้าภาษานี้พระพุทธเจ้าอ่ะเป็นพระเก่าหรือเป็นพระที่ควรฝึกได้ หรือเป็นพระที่เรียนรู้พอรักษาตัวคุม้มอย่างนั้นท่านจึงให้จัดว่าเป็นพระเก่าอืมฉะนั้นถ้าใครแอบอยู่ครูบาอาจารย์ไปแล้วก็กลับมาศึกษาไปแล้วก็กลับมาศึกษาเอามารวมสิ่งท่างหลายเข้าอันเดียวกันนํามาศึกษากันอือันนี้อาจจะเป็นประโยชน์ไปถึงเมืองนอกที่บ้านเราทั้งหลายนั่น่ะที่เมืองเราทั้งหลายในเรืนองกำลังมันจะออกไปจะเป็นประโยชน์ เหลือเกินอไอความจริงของพุทธศาสนาดึงดูดจิตใจคนไทยจิตใจเมืองนอกทั้งนันมารวมเป็นกลุ่มเดียวกันได้มันเป็นของแปลกอยู่เหมือนกันฉะนั้นจงประกันตั้งอกตั้งใจนี่บาทนี้เป็นพระเป็นพระสมมุตินะเป็นพระสมมุติจะเป็นพระจริงๆนั้นไปทำเห้เป็นเองน่ะองสังวรทังวรงวมต่อไปต่นี้ บ il ันนี้ก็มีเวลาพอสมควรในปัจมุบนราบนานุศาสตรอุษาเนอะดีเดียวมาทเดียวนราบอนอุศาจ้ะ